พรพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่หายากที่สุดในโลกหายากที่สุดในโลกมีห้าอย่างอะไรบ้าง mm hmm. อันนี้พระเจ้าเทศบ่อยนะเลยเนี่ยเีลานะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดูก่อรพิสูทั้งหลายสิ่งที่หายากที่สุดในโลกมีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างนะอย่าพูจ้ากันเรื่องหาย่างอะไรบ้างหนึ่ง การอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้ามัหายากนะร<ะ>การที่ได้พบพระพุทธศาสนาหน่หายากเพราะว่าพระพุทธเจ้าการที่จะมีผู้ที่สร้างบา ร, รมีเพื่อจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้ามันทำได้ยากหายากบางทีบางทีก็ทำแล้วมันยากมันลำบากเปลี่ยนใจทีหลังตรงนีนะ น่าวปาถนาพุทธภูมิปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นใครที่เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าได้สิ่งที่หาได้ยากที่สุดในโลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดเองเลยนะพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าแค่นึกในใจก่อนเนี่ยเจ็ดอสงไขยนำไปทวนนะอสงไข่ จากนั้นก็พูดด้วยเริ่มพูดละ เ, เริ่มบอกคนนั้นคนนี้ว่าเป็นวาจาพร้อมใจพร้อมด้วยคำพูดด้วยวาจาอีกเก้าอสงไขยเป็นสิบหกแล้วนั้ น, นต่อมาได้รับคำพยากรณ์ต้องได้รับคำพยากรณ์ด้วยนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้รับคำพยากรณ์อีกสี่อสงไขยแสนกับ สร้างบารมีแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวพอบารมีมันเต็มละเต็มที่แล้วก็ บ, บรุษธรรมมาสัำปูธิยานคิดตัดสรู้ทมเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้ามาสอนนี่รู้ดียานทั้งหมดเลยแล้วความรู้อันนี้อยู่ในธรรมชาติเป็นระบบของธรรมชาติ ล, ล้วนๆเลยอย่างเราพัทธคักภีรมไม่ดีปั๊บบันทึกไว้ทันทีในธรรมชาติต้องรอรับผล ทำกรรมดีปั๊บนิดมึงก็บันทึกเอาไว้รอให้ผลแต่บางทีก็ให้ผลบางทีก็ยังไม่ทันให้ผลทันนิพพานก่อนน่ะยังไม่ได้ให้ผลก็มีกรรมบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเราพ้นไปก่อนหลุดพ้นไปก่อนกรรมไม่มีอำนาจพอที่จะมาครอบงำผู้ที่พ้นไปจากทุกข์ไม่อยู่เหนือกรรมพ้นกรรมสิ้นกรรมหมดกรรม เป็นอิสระจากกรรมไอที่สอนกันว่ากรรมกรรมอย่างนั้นแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนอันนี้สอนให้คนทําความดีเฉย ย, ยังอยู่ภายใต้กรอบของกรรมแต่เวลาพระเที่ยวสอนจริงๆแล้วต้องสอนให้ยึมละกรรมสาหรับคนที่มีปัญญานะต้องออกจากกรรมต้องไม่เป็นทาสของกรรมแต่จะทําได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกจิตของเราเนี่ยให้รู้เท่าทาันมันจนนะ่ะห้สิ่งที่เราทําเนี่ยมัน มันเป็นแค่กิริยามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาคอบ ง, งำจิตเราได้แต่กรรมทางกายมันยังมีอยู่วิบากมันให้ผลอย่างคนที่มันเจ็บป่วยไข้มากๆอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าก็บอกเอาไว้ไมีเคยเบียดเบียนสัตว์อื่นมากทํำลายทําลายสัตว์อื่นตัวเองก็เลยเกิดมาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมาก มาออกทีวีโหนาสงสารนะออกเรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละมันมีคนหนึ่งอ่ะขาด้วนแขนก็ด้วนโอ้ยเราไปนิกิ้งเร็วมากเยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตเนี่ยคนก็ชอบเล่นนะเขาก็มีอารมณ์ล่าเริมนะยังเด็กมันยังยั ง, ยงไม่คิดอะไรอ่ะหัวเลาะเล่นมีมุกมีอะไรกับเขานะกับคนดูกับอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบพากันหัวเลาะ ถ้าใครรู้เรื่องกรรมเขาเลยเรื่องกรรมมองไปรู้เลยคนเนี้ยมันเคยเบียดเบียนสัตว์อื่ไนไวมากนั่นกะ็ผลของกรรมมันให้ผลน่ะแยายมาไงกรรมนี่มันติดอยู่ในจิตอ่ะแล้วเวลาไปเกิดเข้าไปอยู่ในท้องปั๊บเนี่ยถ้าจะเกิดเป็นคนอยู่ในท้องเสร็จแล้วจิตเนี่ยด้วยอำนาจของกรรมที่มันติดมากับจิตอะนี่มันส่งผลมามันก็มาสร้างร่างกายขึ้นมา ครับเลยต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่าเขามามารับกรรมแล้วไม่ได้นิ้งไปไหนเพราะฉะนั้นใครที่เกิดมาแล้วพบคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําความดีทํากรรมดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ทํากรรมไม่ดีไม่ทำเพราะทาแล้วมันให้ผลมันทําให้นําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ทีหลังทีนี้อันที่สองอันที่หนึ่งได้พบพบ ได้พบพุทธศาสนาหรือได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหายากละมี่ี่ีพวกเราไี้พบแล้วนนเนี่ยได้ได้แล้วอันที่หนึหายากก็ตามแต่ได้แล้วอันที่สองได้การได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดเลยนะยากมากพุทธเจ้าอุปมาไว้เหมือนกับว่า ม, มีเตา่าตาบอดอยู่ในทะเละะแล้วก็มีแอกมีแอกอยู่ในทะเล แล้วผู้เจ้าก็ถามถามสาวกของบุรุกรภิกษุทั้งหลายมีเต่าตาบอดลอยเคล้งคว้างอยู่ในทะเลแล้วก็มีแอกลอยอยู่ในทะเลด้วยมีโอกาสไหมที่แอกเนี่ยมันจะมาสวมคอเต่าพผู้เจ้าถามพระก็บอกว่าโมีแต่ว่ามันโอกาสน้อยอผู้เจ้าก็บอกว่านี่แหละการที่โอกาสที่แอกจะมาสวมคอต่ามีน้อยชั้นใด การที่คนเราเนี่ยจะได้มาบัดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็น้อยมากมากกว่านั้นอีกเนี่ยแสดงว่าเกิดยากมากเป็นคนเนี่ยเพระฉะนัเจ้าก็รับรองเอาไว้คนมนุษย์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยตายไปแล้วไม่ไปเกิดอบายภูมิเป็นส่วนมากน้อยจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาพวกเทวดาก็เหมือนกันพมก็เหมือนกันตายแล้วส่วนใหญ่ไปอบายภูมิ น้อยที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหมายว่าที่ไปจริงๆของของสัตว์โลกละ่ะคืออาบายภูมิเอาเราดูจิตเราก็ได้นะอย่างวันเนี้ยวันนี้มันมั น, ม, นมันมีอาการยังไงบ้า ง, างความรู้สึกของเราถ้ามันความรู้สึกไม่ค่อยดีมากๆนั่นแหละนั่นแหละมันเตรียมจะเป็นเป็นสัตว์อบายภูมิละ่ะคือมันต้องไปรับทุกทรมานแต่ว่าใครมันมีรู้สึกาใจสบายเป็นส่วนมาก เอออาณเนี้ยเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วมีสบายมากๆไนงะอย่างอย่งพวกเทวดานี่เขาสวยผลบุญอ่ะมีปิติตลอดไปทางไหนก็สบายมันเป็นภูมิของเขาทำ <c oughs> มนุษย์ก็สุขบางทุกข์บางอย่างที่เราเป็นนี่แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ <c oughs> ชอบใจอับถูกใจก็บหัวเลาะยิ้มแยม้มแจ่มใสไม่ถูกใจก็หน้าบิดหน้าเบี้ยวโมโขวดเครื่อง บางทุกบางสลับกันไปบางคนก็ถ้าเคยทํากรรมดีไว้มากก็มีตาคนอื่นช่วยสาธอื่นมากสุขก็มากก็ทุกหนอแต่ไม่ทุกก็ไม่มีอ่ะอาที่หนึ่งการที่ได้พบพระพุทธศาสนาหนียากเพราะว่าพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของวิญญาณยากมากสร้างบารมียาวนานอกวาเอ็มาแต่สรแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ย พรานนั้นเรามีโอกาสแล้วสองได้เกิดเป็นมนุษย์เราก็มีแล้วเนี่ยดังกายเป็นมนุษย์แล้วนี่แหละของที่หายากที่สุดในโลกสองอย่างละอันที่สามเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสบางคนเป็นมนุษย์แล้วแต่ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีนะหินพระก็เออก็เมือนเราธรรมาดาไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสอะไรดูบางบางคนน่ะ ในในใ น, ใ น, ในบ้านในเมืองเข้าไปในเมืองเนี่ยยิ่ต้องระวังมากเพราะว่ามีพระไม่ดีก็เยอะด้วยคนก็เมินมองพระบางคนก็ศรัทธาดีน ะ, ะอยากทำบุญสุนทานใส่บาตรใส่อะไระพอไปเจอพระไม่รักษาธรรมไม่รักษาวินยัยทำไม่ถูกต้องเขาก็เบือเบ่อหน่ายพอเบื่อหน่ายล้วก็รังเกียดทีนี้ มันก็ทําให้คนเนี่ยสตาถอยได้เหมือนกันมีเพราะนั้นคนที่บวชมาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจริงบาปมากนีนี่มันมันก่อนนะให้ลูกชายสมศักดิ์กันวยอ่ะพอจะมาบวชเขาบอกไม่แน่ใจว่าจะท่องได้หรือเปล่าไอ้คําขานหน้าเพราะเราเวลาจะบวชนะครับเราสอนให้ถูกต้องเขาไม่แน่ใจถ้าผมไม่แน่ใจผมก็จะไปบวชข้างล่าง โอยอย่าไปบวชเลยอ่ะไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันได้บุญเนาอ่บวชแล้วมันได้บาปก็ได้การบวชไม่ถูกต้องเพราะนั้นต้องสู้ต้องเอาให้มันได้คเอาไปเลยสึกจะได้คิดอยากจะมาบวชที่นี่แหละแต่กลัวว่าจะท่องไอ้คํำบวขอบวชนั้นไม่ได้ก็เลยปารบขึ้นมาว่าจะไปบวชข้างล่างโอ้บวชไม่ใช่ว่าบวชแล้วได้บุญเนา อย่ที่ว่าบวชแล้วปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตามวิมมนัยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องแล้วโอ้โหอย่าบวช ด, ดีกว่าบาปหนักกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจดีหนุ่มมาฝึกเลยก็มีคนสอนให้ฝึกให้ตอนที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ได้แต่พอฝึกแล้วมันก็ได้ขึ้นมามันก็ต้องได้ลองซะก่อน อันที่สี่เป็นผู้มีกิตติ์ตาแล้วได้บรรพชาบรรพชาอุปสมบทได้บวชในบวชทีนี้บวชมันก็มีสองอย่างนะปวดกายบวดใจเอาไม่ได้บวชกายก็บวดใจนี่ถ้าบวดปวดแต่ร่างกายแต่ไม่ได้บวดใจนี่มันสู้บวดใจไม่ได้น่ะบวดใจหมายว่าอย่างไงหมายถึงว่าปฏิบัติเอาหลังกายเราเอาจิตใจเรามาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มีลำบวชแล้วเนี่ยมีโอกาสได้มรดกได้ผล น, นะได้เป็นพ่อรลยเจ้าได้ถ้าบวชมาแล้วทําไม่ถูกต้องโอไปใหญ่เลยกรรมหนักบาปหนักถ้าว่าทําถูกต้องดีงามโห้บุญกุศลมากมหาศาลเลยช่วยพระาศาสนาโดยตรงเลยรักษ า, าศาสนาเอาไว้พ่อแม่ก็ได้บุญมากที่นี่เพราะลูกทําถูกต้องพ่อแม่ญาติพี่น้อง เวลาลูกมาอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่นึกถึงลูกขึ้นมาอู้อิ่มใจเบิกบานใจมีปีติมีปลาโมดได้บุญตลอดช่วยพ่อช่วยแม่ทางจิตใจโดยตรงเลยเนียบุญมันมากเพราะว่าพ่อแม่ก็ภูมิใจว่าโอ้ลูกเราบวชแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามทำตามวินัยตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ตัวเองอยู่กับบ้านเขาเลื่อนก่อนพอใจภูมิใจปลื้มใจจิตกขเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานี่และช่วยพ่อช่วแม่ได้คืออย่างนี้นเวลาตายไปก่อนโอ้แล้วลึกขึ้นมาได้โอ้เรามีลูกได้บวชได้เรียนใจอิ่มเ อ, เบอิบเบอร์บ้านมันก็ไปสวรรค์อย่างน้อยก็ไปสวรรค์แล้วเนพราะนั้นเพราะนั้นมีลูกได้บวชนี่ก็นานมูทะนาอยู่ สุดท้ายอันที่ห้าการได้ฟังพระธรรมพระธรรมหมายถึงคําสอนเพื่อให้ออกจากทุกไม่ใช่คําสอนโอ้ต้องทําบุญมากๆนะจะได้สไป่สวรค์ชั้นนั้นชัน้นนี้อันนี้มันมันให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารมันไม่ได้ออกจากทุกนะให้มันไปยึดไปกิดไปคล้องของพระพุทธเจ้านี่สอนแล้วก็คือให้หาทางออกจากทุกขให้จิตใจมันเป็นไม่ไปยึดไปติดไปคล้องกับอะไรให้เป็นอิสระ แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะก็ทำเกี่ยวข้องได้แต่ว่าพยายามที่จะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นนะมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตตัวเองให้จิตมันรู้มันเข้าใจบางทีไปเราไปทำดีปับ๊บมันพอใจความดีของตัวเองขึ้นมาเนะี่ยมันเอาความดีมาอ้างแล้วนะทีนี้อมมาเอาความดีมาอ้างแล้วมันก็เอาไปเปรียบเทียบ ก, กับคนอื่นนะเนีเ่ยเราดีกว่าเขาพอดีกว่าเขาก็เรื่องแล้วนะทีนี้หยุดยุดล่ะในตัวเราในจิตนะ่ะ มันทองๆขึ้นมาล่ะ เ, เนี่ยแทนที่ว่าทาดีแล้วมันจะดีไม่กลับกลายเป็นเป็นสะสมบาปแล้วนะทีไม่รู้ตัวเลยสะสมตัวตนเลยอัตตาเนี่ยมันก็ขยายขึ้นมาแล้วบางทีแต่แตถ้าหาว่าเอาได้กว่าเขาอีกกัแบแฝงลงอีกเนี่ยนี่มันไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยฟูแฝบขึ้นมาเพราะฉะนั้น เมื่อเมื่อเราเรามีชีวิตอยู่มันต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเราก็ทําอะไรถ้ามีสติแล้วมันก็รู้เท่าทันจิตใจของเรารู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็มีโอกาสสอนจิตเราสอนจิตเราให้รู้ว่านี่เราทํำมันเป็นความดีนะไม่ใช่จะเอาไปโอ้ไปอวดนะไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบแล้วไปข่มเขาไปสร้างอัตราตัวตนไม่ถูกพอเราสอนอย่างนี้เราแย้งมันอย่างนี้มันก็เบาลงนะ มันเข้าใจขึ้นมาแต่บางคนไม่เข้าใจอ่ะทำดีแล้วก็โอ้โหยิ่งขยายออกไปออกไปเขาเรียกว่ามีมีมานะตัวมานะหรือว่ามีมอุปาทานชนิดหนึ่งอ่าอัตตะวาทุกปาทานอุปาทานยึดข้องในในในในตัวในตนในอัตตา เนื้อตานุที่ถีมันก็มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยหนักหนักมันก็บีบคั้นไอ้ความตัวตนนี่มันบีบคั้นนะเพราะมีตัวมีตนเนี่ยมันมันพอมีอะไรมากระทบปั๊บมันจะทุกข์มันจะทรมานขึ้นมาเพราะความมีตัวมีตนแต่ถ้าเรามีสติอยู่เห็นจิตเห็นใจของเราอยู่เรื่อยรู้ทันแล้วก็วางไปวางไป จนกระทั่งมันมันมันรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สอนจิตใจได้ด้วยรู้เห็นแล้วก็สอนได้ด้วยอบรมจิตใจจิตใจมันเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ปล่อยก็วางได้ปล่อยวางแล้วก็จิตใจก็เป็นอิสระนะโหถ้ามันเป็นอิสระมันเบ า, าจริงๆนะสบา ย, ยาจริงๆเลยนะถึงจะมีทุกข์บังในทาง รูปธรรมในทางร่างกายมัตามอ่ะแต่จิตมันไม่เอาเข้ามามันปล่อยมันก็เลยเบาสบายไม่ใช่ไม่มีทุกนะมีเหมือนกันแต่มันทุกในธาตุในขันนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปมันก็เหมือนไม่มีทุกอนะ่ะเพราะทุกทางใจไม่มี คนทั่วไปอะอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเอามาให้ตัวเองเป็นทุกข์มาบีดมาคั้นจิตใจตัวเองก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นอย่างอย่างธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าพระธรรมการได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกอันหนึ่งธรรมะธรรมะที่จะทำให้คนเราเนี่ยมันอยากออกจากทุกข์เนี่ยหรือเป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์เนี่ยไม่ใช่หาฟังได้ไง่ายๆนะ ถ้าคนถ้าคนไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยคำพูดมันก็ไม่มีน้ำหนักพูดก็ลอยๆอยฟังดูมันก็ไม่มันไม่มันไม่ไม่เข้าไปถึงใจแต่ฮาว่าถ้าฮาว่าคนที่เขาปฏิบัติแล้วรู้เข้าใจแล้วแล้วจิตมันเป็นขึ้นมาเนี่ยทุกคำพูดเลยนะมันกั้นครองออกมามีสภาวะรองรับอยู่ในจิตอะพูดออกมามันก็เลยมันก็เลย มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความจริงจิตมันก็ยอมรับขึ้นมามันมีน้ำหนักอยู่ในจิตของเราเนี่ยจิตมันก็อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครมีห้าอย่างนี้ถือว่าได้สิ่งที่หายากที่สุดในโลกหนึ่งการได้พบคำสอนของพระเจ้าหรือการได้พบพระพุทธศาสนา อันที่สองก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าสี่การได้บรรพชาบทสมบทติถ้าหาว่าไม่ได้บวชกายก็บวชใจก็คือเอาจิตใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็หายากนี่อย่างที่มาเนี่ย ถ้าใครรู้วิธีเออพยายามมีสติพยายามรู้ตัวจิตมันไม่อยู่ก็บริกรรมเอาอหรือว่าเอามันไปดูลมเข้าลมออกเอาไปดูตรงใดตรงหนึ่งเพื่อให้จิตมันอยู่หาเคลื่อนให้กับจิตจิตนี้พอฝึกบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบอยมันก็อยู่เองจิตเนี่ยไม่ใช่ไปอยากน ะ, ะพระเจ้าสอนสอนว่าให้พอใจสร้างเหตุให้พอใจปฏิบตัติผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรม เพะ น, นผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องอยากได้สมาธิแต่ผู้เจ้าสอนให้มีสติให้รู้ตัวรู้ตัวไว้ทําอะไรก็อยู่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามัสอนให้สํารวมสํารวมนี่หมายความว่าระวังสํารวมระวังนี่ก็คือว่าเป็นสติชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นสติชื่อของสตินั่นแหละพอเราสํารวมเราระมัดระวังเนี่ยสติมันก็มีขึ้นมา ที่ แ, แต่สติอ่อนๆก่อนทําอะไรรู้ตัวสํารวมระวังทํานั่นทนํานี้ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจนี่มันมีสติอยู่ในตัวสติก็ค่อยๆมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสตินี่มันรักษาจิตได้ถ้าเจตนาไม่ดีมาปั๊บมันทันทีนี่มันทันแล้วมันละเจตนาไม่มีได้นี่เป็นศีลศีลต้องอยู่ในจิตนะไม่ใช่ศีลเป็นข้อข้ออยู่ในตัวหนังสือ อันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเฉยๆเป็นสิกขาบทผู้เจ้าเรียกว่าสิกขาบทอย่างสีหน้าที่เราเรียกสีหน้าเนี่ยผู้เจ้าเลี้ยว่าสิกขาบทห้าข้อเป็นข้อปฏิบัติให้เอามาปฏิบัติเจนสติมันดีขึ้นมาเราสํารวมเราระวังร่างกายเราก็มันอยากไปฆ่าสัตว์ทําลายชีวิตสัตว์อื่นอย่างเงี้ยเราขยับหย่างมันไอคิดเฉยๆไม่ผิดศีลเพราะมันเป็นแค่ความคิด พอเราละเจตนาไม่ดีได้นี่เป็นเป็นสงจิตเราก็ปกติบางทีท่านก็นเรียกว่าสี น, นี่คือการที่จิตเราเป็นปกติความปกติของจิตแต่จริงๆแล้วมันต้องละเจตนาที่ไม่ดีได้คือมันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปไอ้ไอ้ไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยรออกุศลเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นเป็นครังๆไปมันประจวบเหมาะกับเหตุการณ์บางอย่าง ความคิดไม่ดีก็วูกขึ้นมานะอยากทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามีสติสัมปชัญญารู้ทันปับ๊บมันก็ดับไปเนี่ยนี่แหละคือตรงนั้นแหละคือศีลท่นว่าศีลนะละเอียดเข้ามาแล้วนะัทนีละเอียดเข้ามาที่จิตแล้วเปนศีลศีลของภาคปฏิบัติละศีลจึงเป็นบารฐานของสมาธิพอจิตมันพอจิตมัน ไม่ยินดีไม่ยินลายแล้วจิตปกติแล้วนานเข้านานเขานี่คือตัวสมาธิตัวสมาธิเป็นสัมมาสมาธิก็คือจิตที่มันเป็นกลางๆงไม่ยินดีไม่ยินลายเป็นเวลานานนาแต่ถ้าอธิบายเบื้องต้นก็คือว่าสมาธิก็คือการที่จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานนาหรืออยู่กับอารมณ์เดียวเป็นเวลานานนานนานได้นเรือ เพราะนั้นตัวสมาธิก็คือการที่จิตมันมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็ได้อันนี้มันเป็นมันเป็นสมาธิเพื่อให้จิตสงบจิตสงบจิตมีความสุขความสบายออกมาแล้วภาวนาไปจิตสงบลงไป มีความสุขความายออกมาแล้วสมาธิมันยังอยู่มันก็สบายแต่เวลามันมันหมดไปแล้วสมาธินี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะตัวสติอะไรก็เหมือนกันมันขึ้นลงเหมือนกันไม่แน่นอนเพราะนั้นผลของการปฏิบัตินี้ไม่แน่นอนพวกนี้ตกอยู่ภายใต้กฎคาตรักหมดมีการเปลี่ยนแปลงมีมากมีน้อยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับตาของมัน ม, มันนีไม่พ้นกฎของธรรมชาติ เรียกสัจธรรมผล เ, เราไม่ยึดติดนะผลของการปฏิบัติบางวันดีก็เอายอมรับว่ามันดีบางวันไม่ดีขึ้นมาเก็ไม่เป็นไรมันก็ธรรมดามันก็เปลี่ยนแปลงพอใจเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการมันจะปล่อยวางได้มันจะสบายเพรา ะ, ะนั้นเรามีหน้าที่รักษาจิตเรืยไปไม่ยินดีไม่ยินร้าย มันเข้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาให้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้มันมันก็มาที่จิตของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมบัติที่หายากที่สุดในโลกตอนนี้ทุกคนเลยมีสมบัติที่หายากที่สุดในโลกเรียบร้อยเลยได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ พ, พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตศรัทธา ได้ปฏิบัติคือบรรพชาหรืออุปสมบทเนี่ยเราถือว่าเอาเอ า, เ อ, า, เ อ, าอนุโลมว่าบวดใจได้เพราะว่าบวชกายแตไ่ไม่ไม่บวดใจไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมีอยู่ก็คือสมมุติสงค์แต่ถ้าว่าได้ประพฤติปฏิบัติได้มากได้น้อยมันไม่เป็นไรอ่ะมันมีคาด มีคุณคา่าต่อจิตใจของตัวเองได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมก็คือคำสอนที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกเป็นไปเพื่อความพ้นทุกค้นทุกก็คือถึงปณิพานเมื่อเราได้สมบัติที่หายากที่สุดในโลกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ตรวจสอบว่าเออเราทำยังไง คำสอนเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นมันจึงมีคุณค่าต่อชีวิตของเรามันจึงจะมาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจเจริญขึ้นมาคิดดูนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันน่าเสียดายมากเลยนะ มันจะเหมือนสัตว์อ่ะสัตว์สัตว์ตมันมันหาอยู่หากินไปเลวมันก็ตายไปเฉยๆมันมาใช้กรรมพวกสัตว์นี่เกิดมาใช้กรรมถูกกรรมบีดคั้นมันฟังธรรมไม่ได้ปฏิวัติธรรมไม่ได้พวกนี้อำนาจของกรรมมันบีบบังคับไว้ เม่พอใจในความเป็นสัตว์รีดเริงบันเทิงโอหมันจริงเป็นสัตว์หลายชาติมากแต่ถ้าตัวไหนที่มันจะหมดกรรมมันจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความเป็นสัตว์นะมันเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาพอกรรมมันจะหมดหลับมันก็อยากเกิดเป็นคนบ้างอยากเกิดเป็นเทวดาบ้างมันก็เปลี่ยนภพภูมิไป ทีนพูดถึงการปฏิบัติเพราะพยาก็ย้ำอยู่ให้พอใจสร้างเหตุฉันบังฉันเนติให้พอใจสร้างเหิุพอใจปฏิบัติผูเนี้ไส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมจให้พอใจซะก่อนพอใจปฏิบัติก่อนปฏิบัติแล้วส่วนผลดีไม่ดีไม่เป็นไรสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติเอาแค่นี้ นิจใจเรามันก็สบายทีนี้พอสติมันเราเราเราพยายามมีสติมีสติเนี่ยพอสติมันดีขึ้นมามันจะควบคุมจิตได้ควบคุมจิตจิตก็อยู่กับตัวเรามันอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นเรื่อยๆเนี yes. ่ยมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาถ้าในสมาธินั้นเราเราเราเราเห็นเราเห็นคือจิตนี่มันเห็นได้เห็นในความรู้สึกของเรา เพราว่าจิตเราอยู่นะเนี่ยสติก็ดีขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นนะ่ะมันก็ไปรับรู้รับรู้แล้วก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวอันใหม่ก็ขึ้นมาสิ่งที่ไปเห็นพรกนี้เขาเรียกว่าญาณญาณในสมาธิญาณในระดับสมาธิญาณคือความรู้เพราะนั้นญาณในสมาธิก็มีที่ปรัชาญาณก็มีญาณใน ซึ่งเป็นวิปัสนาจิตใจมันรู้สึกว่ามันพอใจที่มันก็รู้มันมันมันเบิกบานก็รู้อิ่มเอิบก็รู้เนี่ยถ้าเรารู้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดน่ะเขาเรียกญาณบางทีกเรียกสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะในหมายถึงปัญญายานมันมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมา ตอนแรกก็พยายามมีสติอย่างเดียวเพราะมันยังไม่สามารถรู้อะไรได้คุมไว้อย่างเดียวเลยคุมไม่ให้จิตออกคุมไม่ให้จิตนี้ไม่ให้จิตเล่นลอดไปทางไหนก็เพียนเพียนเจริญสติเนี่ย ม, มีสติก็คือว่าให้สติเนี่ยมันมันควบคุมจิ ต, ตมันคุมคลองจิตระวังจิตส่วนผลได้แต่ทีพอเพียนอย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าก็สอนต่อไปว่าเพียนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่ได้เพียนแล้วถอยนะเพียนนิดหน่อยๆแล้วถอยไม่ใช่เพียงแล้วต้องเพียงให้ยิ่งขึ้นไปเพียนให้มากขึ้นเพราะว่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเนี่ยมันต้องมีความเพียนแล้วก็เพียนต่อเนื่องเพียนนิดนิดขึ้นไปทีแรกก็เราเพียนก่อนต่อไปมี่จิตเนี่ยมันเพียนเองได้จิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะมันไม่ใช่อยู่กับที่นี่ย บางคนปฏิบัติทำมลันไม่เห็นได้อะไรเลยันใจมันอยากมันอยากได้ผลเร็วๆมันอยากให้ได้อย่างใจตัวเองมันก็เลยว่าไม่ได้อะไรแต่า้าพอใจปฏิบัติเรื่อยไปอย่างเงี้ยผลมันเกิดขึ้นยังไงนก็จะเห็นเองรู้เองเอได้ขนาดในเปลามันก็สบายปฏิบัติแบบสบายๆเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปประคองจิตให้ตั้งมั่ยเท่านี้ต้องประคองจิตเลยนะ อก็คล้ข อ, ของจิตคือควรทํายังไงก็ทําอ่ะให้จิตเพื่อให้จิตมันตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วก็เพื่อให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงมีเป้าหมายด้วยเพื่อให้เห็นว่าเออทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือรู้ความจริงเพื่อเพื่อเห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละถ้ามันเห็นความจริงอย่างนี้จิตจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวาง วางความมีตัวมีตนออกไปถ้ามันปล่อยมันวางแล้วจิตจะเบามากเลยนะคนปฏิบัติเนี่ยเอาเพราะนั้นวันนี้วันนี้จะให้ลองปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้ากันนะทําสบายๆนะใครเคยภาวนายังไงทําได้เลยก็ให้พอใจปฏิบัติขอให้ได้ปฏิบัติเอาแค่นี้ผลเป็นยังไงก็แล้วแต่ จะยุด จ, จะพูดละจะให้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเอาเปลียนตัวนะเี่ยตัเป็โนโอกาสสุดท้ายแล้วนะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาสังเกต ด, ดูสังเกตดูว่าในตัวเรา มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรู้สึกทางร่างกายมีไหมมันจิตมันปวดมีไมมมึนชาคันตึงเครียดหรือวันปกติเนี่ยอันนี้คือจิตมันไปรับรู้มันไปรู้ไปรู้ไปไปรู้สึกขึ้นมาที่จิตนะ้ะจิตมันเป็นาธาตรู้เป็นผู้รู้ แล้วมันก็ไปดูร่างกายไปรับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นรูปประทัดร่างกายนี้ก็มีเวทนาทางกายไปสแสดงออกมาตัวจิตเราที่ไปรับรู้นี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาอย่างชนิดหนึ่งมันมีสติสัมปชัญญะรู้รู้และจิตเราเป็นยังไงปกติไหมถ้ามันปกติสแสดงว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้าย จิตมันดูไม่ได้ก็แสดง ว, ว่าสมาธิเรายังน้อยยังอ่อนสติเร่าอ่อนสติยังน้อยอยู่สมาธิยังไม่มากมันก็เลยไม่สามารถรับรู้อะไรได้มันก็ต้องคุมจิตไว้ก่อนโบริกรรมบักเพ่งเล็งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตหยุดซะก่อนเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่ เคยทำยังไงกรรมาฐานของเราเบื้องตน้นทางไงสติสติมันอยู่ดีเราก็เอาในจิตมีอะไรบ้างมันชิดมันนิ่มมันกรุ่มมันแต่งอะไรมีไหมเนีย่ยมันก็จะได้เห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้ผ่านมาผ่านไปเฉยเฉยแต่ก่อนไม่มีเต็มเวลามันเกิดขึ้น เือดขึ้นกระดับไปทำไเห็นแบบนี้โดยปลอยมันไม่อยากยึดอะไรหรอกมันเปเรื่องราวผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นดับไปอยู่นั้นเนะี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้ถ้าใครอยากทำความเข้าใจเรื่องขันห้าขันห้าก็ร่างกายเนี่ยคขาว่า กายกายหมายว่าเป็ น, ม, นมันเป็นสิ่งมีสิ่งที่มารวมกันมันรูปหลายๆล ร, รูปมารวมกันเขาเรียกว่ากายกายเนี่ยคือรูปหลายๆลายรูปมารวมกันเป็นร่างกายเพราะนั้นเรียกว่ารูปประคันมารวมกันรูปประคันกองแห่งรูปธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟรวมกันเป็นร่างกาย หมายว่ามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนจริงๆหรอกมันประกอบกันขึ้นมาเฉยๆถ้าแยกแยกออกไปก็ไม่มีอะไรแค่เน่ยเป็นถาดดินถาดน้ําถาดลมถาดไฟอากาศสถาดยินญาณธาตุหูแต่ถาดทางนั้นนะถาดก็คือธรรมชาติอันหนึ่งมีธนาขันกองแห่งมีธนามีธนาคือความรู้สึกเจ็บปวดบ้างมินบั่งชาบั่งตรงนั้นบั่งตรงนี้บั่ง บางทีก็บางแห่งก็หนักบางแห่งก็เบาเนีนวทยาคาขันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นเรื่องของวทิทยาคณาิทยาณาแสดงอาการออกมาสัญญาจำได้ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาัมปจำเป็นหมายอะไรมาแล้วจดจำมานึกขึ้นมามนจำได้หมายรู้ เงสัญญาขันถ้าในถ้าจิตมันเป็นสมาธิเห็นมันเกิดเห็นมันดับมันไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นของเราสังขารละขันความมิทิปปุงแต่งเป็นสังขารปุงแต่งขึ้นมาอาศัยจิตเกิอดอาศัยจิตดับก็เป็นแค่สิ่งที่ปุงแต่งขึง้นมาไม่มีตัวตนจริงๆจังจ แต่ก่อนเรายึดความคิดความนึความคิดของเราเป็นตัวเป็นตนถ้าว่าเรามาเห็นมันเออมันจะรู้จักไป้รู้จักวางได้วิญญาณขันอะไรเกิดเป็นตัววิญญาณมันเป็นรู้รู้แล้วก็ดับไปส่งต่อไปคล้ายๆทำมันเป็นการทำงานของขันห่าเฉยๆแตเห็นอยู่อย่างนี้มันไม่อยากยึดอะไรหรอกมันก็วางเฉย มันเป็นแค่ขัหนห้าเฉยติดเราไม่ไปยึดขันหน้านปล่อยวางขันหน้าขันหน้าขอบเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เหลือแต่ตัวปัญญารู้ความจริงแล้วก็วางเฉยเอ่อสุดท้ายแล้วเตรียมดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะทําความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ดูเฉยๆสัจธ ว, ว่าดู ดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆรู้กายรู้ใจรู้อะไรเพื่อเพืนรู้เฉยๆไม่ว่ารู้แบบรู้ปล่อยรู้วางทาได้มากไดน้อยแค่ไหนเอาขนาดนั้นละแล้วก็ย้ําตัวเองข้าพระเจ้าขอหมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่ประสงค์ ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ละลึกตลอดไปจะพยายามพระพุทธปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิง่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอรยิยสัจธรรมจนพ้นจากทุกเนวทัศสงสารได้เถิดและก็รวบรวมกําลังบุญของเราเอามารวมไว้ที่จิตของเรา บุญของเราตั้งใจดีจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นที่เคยทํามาตั้งแต่สีแรกจนถึงขณะนี้รวมเข้ามาที่จิตแล้วก็เตรียวมุทิบุญตั้งใจมุทิบุญขออานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจประสงค์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งใจดีจนถึงปัจจุบันให้เจียรเทวดาจารักษาและนายเวงของข้าพเจ้า ให้แก่ญาติาเกลดาที่รักษาและนาเรียนของพ่อของแม่สามีภรรยา ล, ลูกหลานพี่น้องผู้มีกระคุณของข้าพเจ้ามีแ้แดวงวิญญานทั้งหลายที่สิงสถอยในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญานทั้งหลายที่สิงสถสิงสถในวัดแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกจั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีและขอบุญของข้าพเจ้าโดยถือ เมื่อรับพบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาเรียนหนาเป็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ไปทิ้งให้แล้วเมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้คมครองดูแลเชื่อแลยเพื่อ น, นข้าพเจ้าทำสิ่งใดคอยมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยี่งขึ้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้าจะหมั่นทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้ลิเกไปทำความรู้สึกว่าเราเต็มใจให้บุญ เงินบุญออกไปจักใจเราเอาไปดี